ตันสาทุชนพุรบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาพบกันเรื่องขับพมหาชนกต่อไปเรื่องเมื่อตอนบังก่อนไปจบลงที่ไหนเนาะใครจำได้บ้างไหมขอย้อนนิดหนึ่งเมื่อเมื่อราชบรลลุษเห็นว่าพระราชาไม่ได้ทรงสนพระไทย ในถ้อยคําที่ตงกราบทูลจึงได้กลับไปเฝ้าพระราชิกาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระนางห ม, ม่อมฉันได้กราบทูลแต่พระราชาตามกระแสพระรลําไรของพระนางแล้วแปลว่าถ้าพระราชาผู้ใจแกล้วไ ม, ม่ได้ทรงสนพระชัยพระไทยในถ้อยคําที่กราบทูล น, นั้นเลยกราบสมทรงชมประสาทตลอดเวลาพระพุทธเจ้าขา พระราชินีได้เจนี่ทรงเดิมฤตว่าพระราชาองค์นี้ฉลาดมากนเจนี่ทรงส่งบุรุษไปกราบทูลอีกเป็นครั้งที่งสองครั้งหนึ่งสามกี่ครั้งก็ไม่ทรงสนพทยัยท่านนี้ก็มาคอยเฝ้าสังเกตการต่อไปว่าต่อไปดูที่ว่าจะทํำยังไงสําหรับพระมหาชนก ได้เสด็จไปตามพระพระราชอธิยาสัยโดยที่พนนางไม่ทราบล่วงหน้าไว้ก่อนในสุดก็เสด็จขึ้นประสาทแล้วเลยเข้าไปข้างในทาไมล่ะเวลาเขาเชิญไม่เข้าไปแกล่งดูโน่นดูนี่ดูนี่ดูนั่นแต่ว่าพอพ น, นางเผลอก็ย่องเข้าไปข้างใน เข้าไปถึงที่ประทับขพระนางพระนางศีมลีก็ต ก, กระไยรีบลุกเสด็จแจเพระแทนตรงเข้ามาถวายให้เกี่ยวพระกรีก่ยวพระกรี่ยวก้อยกั น, นมั้งกรมือเมือจับมือเอางั้นดีกว่าเกี่ยวกันแต่ว่าเขไม่จับแน่นจับตั้งห้านิว้วเอาเกี่ยวอนิ้วเกี่ยวกัน เมื่อพระราชาทรงเกี่ยวพระกรณ์พระราชธิดาแล้วสเสนจประทับนั่งภายใต้สเสวชขัดทีนี้ทรงตัดเรียกอมรมาตัดถามว่าเมื่อพระราชาของพวกท่านจะสวรรคตได้ทรงตัดอะไรไว้บ้างนั่นไนเอาเขาแล้วดีมนะตอนนี้นนลูกหลานที่รักเอ้ยใน ด, ดูปัญญานแล้วนะ เพราะไอ้บนหอทรัพย์สิบสามขุมน่ะมันยุ่งยุ่งเอาละดูปัญญากันลูกหลานที่กําลังรับฟังอยู่จําฟังแล้วก็จําจําถ้ากลัวจาไม่ได้แล้วก็จดนะเจะได้ไปทายกันในเครื่องรับสมองมันจะเกิดความฉลาดการฟังเรื่องราวในพระพุทธศาสนานี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันไม่ได้ดส่งเล่าให้ฟังเปื่สนุกสนุก ให้ฟังมาประวัติเดิมของพระองค์ที่เกิดในชาติก่อนๆและทำอะไรมาบ้างแล้วก็ถูกอะไรบ้างกระทบกระทั่งต้องใช้ปัญญาแบบไหนถ้าลูกหลานจําได้ไม่จะเกิดประโยชน์มากจะเป็นคนฉลาดเรียนหนังสือก็เก่งเวลาทำงานทำการก็รู้เท่าทันคนมีความฉลาดคนไหนฉลาดคนนั้นดีเวลานี้บ้านเมืองเราหากินยาก จะต้องมีขาความฉลาดให้มากถ้ามีความฉลาดมากเราก็มีทรัพย์มากมีอำนาจมากมีวาสนามากมีความสุขมากถ้าจะมียศก็มียศใหญ่มากนล้วบ้านเมืองก็จะมีแต่ความสุขไม่ยุ่งยากจะสมัยนี้เอามากันต่อไปพระมหาชนกตรีถามว่าก่อนที่พระราชาจะเสด็จสวรรคตลืมบอกลูกหลานไปนะ คำว่าสวรรค์คตก็คือตายได้สั่งอะไรไว้บ้างแล้วก็บรรดามาตาท่้งหลายเหล่านั้นได้กราบทูลว่าขอดีชะข้าแต่พระราชาอุปเสศเพราะพเจพระราชาได้ทรงตัดสั่งไว้ว่า ให้หมอบราชสมบัติแก่คนที่มีความสามารถดังต่อไปนี้หนึ่งสามารถให้บรรนางศิวรีพระราชินดาทรงโปรดปรานได้หมายความว่าพระราชินดามีความรักมีความต้องการสองสามารถทราบหัวนอนบรรลังสี่เหลี่ยมได้ เอาละสิโตหลานจะโยงแล้วนะแล้วก็สามสา ม, มารถยกธนูมีน้ำหนักต้องใช้คนมีแรงผาต้องใช้คนที่มีกำลังแรงถึงพันคนยกได้สี่สา ม, มารถนำคุมทรัพย์สิบสามแผงออกมาได้ เขากราบทูลว่าก่อนที่พระราชาจ ะ, สะเสด็จสวรรคตทรงตัดไระอย่างนี้พระเจ้าข่าพระมหาช น, นกจึงตัดว่าข้อที่หนึ่งที่สามารถให้บรรนางสีวลีราชิดาโปรดปรานนั้นบัดนี้เราได้ให้นางโปรดปรานเราได้แล้วคือทรงถวายเมื่อก่อนให้เราเกี่ยวท่านนั่นไหลเห็นแล้วไม่ใช่หรือ อําไมยก็กราบถุนว่าเห็นแล้วพระเจ้าค่ะพระมหาชนกจึงตรัดว่าข้อที่สองที่ว่าสามารถจะทราบหัวนอนบัลลังก์สี่เหลี่ยมความจริงบัลลังก์น้เป็นบัลลังก์ทองคําเขาทําเป็นสี่เหลี่ยมไม่รู้ทา ง, งไหนหัวทางไหนหางมันเหมือนกันหมดไม่มีสัญลักษณ์ไว้ในข้อนี้นั้นเราก็จะต้องขอคิดดูก่อน เมื่อส้มเตึกรออีสักครู่หนึ่งตอนนี้นต้องใช้ปัญญา <c oughs> นี่ลูกหลานที่รักต้องคิดดูที่ว่าถ้าลูกหลานถูกถามแบบนี้ลูกฐานลูกหลานจะใช้แบบไหนจะดูทิศตะวันตกจะดูทิศตะวันออกทิศเหนือทิศใต้ไม่ก็อาจจะผิดที่ว่าคนทุกคนต้องนอนหันหัวไปทางทิศเหนือไม่ก็ไม่แน่ คนจะต้องนอนหันหัวไปทางทิศตะวันออกไหมก็ไม่แน่ตามที่เรานิยมกันนี่เราก็มาดูลองดูปัญญาของพระมาหาชนกเขาจะทำยังไงเป็นอันว่าเมื่อพระมาหาชนกตึกตรองสักครู่หนึ่งจึงได้ทรงถอดเข็มทองคําบนพระเสียนสมัยก่อนนั้นเวลาเข า, เา Coron, พ่อคว้าไว้ผมยาว <c oughs> ผู้หญิงผู้ชายก็ไว้ผมยาวๆสำหรับผู้ชายไว้ผมยาวแล้วกล่าเป็นมวยตรงศีรษะขึ้นไปสำหรับผู้หญิงก็มารวบเอาว่าสหลังทำเป็นหางออกมาผู้ชายทำเป็นหัวสูงผู้หญิงทำเป็นหางยาวยื่นในทงถอดเข็มทองคําที่บนพระสียนประทานให้กัน ประธานที่ประหัตขบนางศิวลีก็ส่งให้มานางศิวดีที่มือเนะี่ยเนี่ยก็รับสั่งว่าขอน้องนางจงวางเข็มทองนี่ไว้ในที่อสงควรเถิดพนางศิวลีรับเข็มทองไอ้เข็มทองคํานี่มันอยู่บนหัวของพระราชสวามีเนี่ยถ้าจะไปวางไว้ปลายเท้ามันจะโถูที่ไหน ที่รับเข็มทองคําแล้วก็ไปวางไว้ที่หัวนอนบันหลังเป็นนั้นในความจริงก็ตกลงกันแล้วตีไม่ใช่ปัญญาถ้ามาหายานกจึงได้ทรงตรัดชี้แจงอาหมาทั้งหลายว่าด้านหัวนอนนั้นอยู่ตรงอยู่ทางที่ที่เข็มเสียบผมทองคําวางไว้เป็นนั้นว่าอาหมาทั้งหลายก็ยอมรับ ว่าเป็นความจริงพระเจ้าค่ะตอนี้มาข้อที่สามข้อที่สามว่าสามารถจะยกธนูมีน้ำหนักคนพันคนที่คนที่มีกำลังแรงพันคนยกขึ้นได้ก็มหาเน ก, ก็ส่งรับสั่งให้นำธนูนั้นมานี่การนำธนูนั้นมาในเขาใส่รถไม่าช่คนเพยคนเดียว ไม่ใช่คนพันคนไปยกมาใส่รถใสามาแล้วก็ทรงยกขึ้นได้แบบง่ายได้เบาเบลือใช้มือเดียวไม่ต้องลุกขึ้นวางข้างหน้าเพราะเอื้อมระหัสขวาไปจับยกขึ้นแบบสบายถ้าตอนนี้ลูกหลานฟังก็จะรู้สึกว่าไม่เกินนิสยัยถ้าอย่าลืมว่าเป็นของของบุคคลที่มีบุญบา ร, รมีเนี่ยเขาทำได้ ไอ้คำว่าบุญบารมีก็หมายความใ น, าว น, นมความดีที่ทํามาในชาติก่อนๆมันสั่งสมให้เกิดความดีอย่างสมัยนี้เนะี่ยอย่างคนที่ก็มีฐานะดีมีความ ร, ร่ํารวยก็เพราะว่าเขามีความเมตตาปราณีเคยให้ทานมาในการก่อนอย่างกับคนที่มีอํานาจวาสนาบารมีดีดก็เพราะว่าเป็นคนดีเพื่เพื่อดีเปื่เพื่อชอบ ว่าเป็นคนว่าง่ายเชื่อบิดามันดาพระพุ ท, ธทิธรรมดีเชื่อครูบาอาจารย์ที่สอนดีแต่ครูบาอาจารย์ที่สอนให้เข้าฝ่าทําลายประเทศชาติก็ไม่เชื่อเป็นเด็กดีก็ไม่เชื่อหรอกแล้วก็เป็นคนมีศีลดีเป็นคนมีปัญญาดียังมีความดีมีความสุข มันศึกษาในศิลปะวิทยาความรู้มีความประเติดีเรียบร้อยรู้จักที่สูงรู้จักที่ต่ำหมายความรู้จักว่าคนที่เขาใหญ่กว่าเราควรเคารพคนที่เสมอกันถือว่าเป็นเพื่อนที่รักคนที่มีกำลังอายุน้อยกว่าถือว่าเป็นน้องที่รักให้ความไม่ตาบานีคนประเภทนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญญาทีการ ฉะนั้นพระมหาชนกถ้ามีคนคนมีความกตัญญูรู้คนกับพ่อแม่มีความเคารพพ่อแม่มีความเคารพครูบาอาจารย์เวลาศึกษาความรู้จากอาจารย์ใหญ่ก็ศึกษาด้วยความตั้งใจแล้วก็มีความเคารพเมื่อเรียนครูสอนอะไรตั้งใจปฏิบัติตามทุกอย่างจดจําดี ยังได้มีความสามารถขนาดนี้หวังว่าหลานที่รักที่รับฟังแล้วคนก็ควรจะไปปฏิบัติตามจะได้มีความสุขดีไม่ดีก็จะมีวาสนาบารมีอย่างพระมหาชนกก็ได้ในี้สำหรับปัญหาข้อที่สี่ว่าสามารถจะนําคุมทรัพย์สิบสามแห่งความจริงคุมทรัพย์สิบสามแห่งใ้ตามพระบาลีท่านบอกมีสิบหกแห่ง นี่ลุงปู่จําได้นะลูกหลาน <c oughs> จําได้ว่าพระบาลีทัานว่ามีสิบหกแห่งแต่ประมวลเข้าจริงๆแล้วมันซ้ํากันได้เนื้อแท้จริงๆเป็นแค่สิบสามแห่งแปลว่าย้อนนิดหนึ่งว่าข้อที่สีว่าสามารถนําคุมทรัพย์สิบสามแห่งออกมาได้นั้นพระมหาชนกตรัสถามว่าคุมทรัพย์สิบสามแห่งนั้น ที่ไหนบ้างอ่ามายพวกระทรวงกราบทมน่าสงทราบตามที่กล่าวมาแล้วข้างตน้นพระขุนทราบสิบสามแผงมีแห่งที่หนึ่งมีดวงอาทิตย์ขึ้นเป็นตน้นตอนนี้ย้อนสนิดดีไม่ลูกหลานที่รักขอย้อนสักหน่อยนะเหรฟังกันมาหลายวันอาจจะจําไม่ได้แล้วคุนทราตสิบสามแผงมีอะไรบ้างขอย้อนนิดหนึ่งต้องขอประธานอภัยนะ คุ้มซับที่สามแห่งก็คือหนึ่งคุม้มซัพย์ที่ดวงอาทิตขึ้นสองคุมทรัพย์ที่ดวงอาทิตตกสามคุม้มซัพย์ภายในสี่คุมทรัพย์ภายนอกห้าคุมทรัพย์ที่ไม่ใช่ภายในไม่ใช่ภายนอกหกคุมทรัพย์ขาขึ้นเจ็ดคุม้มซัพย์ขาลงเห็นไหมโอ้ปัญหานิยมเหลือเกินแล้วนะ พอจะเป็นพระราชาได้แปรคุ้มทรัพย์ที่ไม่รังทั้งสี่เกคุ้มทรัพย์ที่เนืองยอโดยรอบสิบคุ้มทรัพย์ที่ปลายงาทั้งสองอคุ้มทรัพย์ที่ปลายหางสิบสองคุ้มทรัพย์ที่น้ำสิบสามคุ้มทรัพย์ที่ปลายไม้ลูกหลานทั้งหลายฟังแล้วพอจะคิดออกไหม พอจะเดาได้ไหมว่าคุ้มทรัพย์13แห่งลูกหลานลองคิดที่มันเป็นปัญหานะเรื่องคุ้มทรัพย์สมัยก่อนเนะี่ยเขามีปริศนายก็ว่าเสมออก็จะไม่ย้อนแหละเป็นอนว่าพระมหายันกทรงพิจารณาปัญหายุครูหนึ่งจิงแต่แถมว่าที่ภายในพระราชวังนี่คุ้มทรัพย์ที่หนึ่งนะที่พระอาทิตย์ตกหรือพระาทิขึ้น ว่าคุม้มทรัพย์ที่ดอนที่ขึ้นอยู่ที่ไหนพระมหาชนกจึงมาพิจรารณาดูหลานลงเดาๆจ้ะฟังแล้วก็เดาดูลงลงเดาทายทั้งทีถูกและไม่ถู ก, ถกนึกในใจเดาๆแล้วก็ดูคําพยากรณ์ที่พระมหาชนกสันใช้คือที่ท่านใช้ปัญญาของท่านพิจรารณาท่านพิจรารณาปัญหาสักครู่หนึ่ง ยังในถามว่าในพระราชวังนี้เคยมีพระประเจกพะพุทธเจ้ามารับเป็นบาปบางหรือเปล่ามรนดามัดท่านหลายเหล่านั้นก็กล่าบทูลว่ามีพระพุทธเจ้า่ะพระภัยเป็นหมัดพระราชาพระมหาเจนกจึงแต่ถามว่าพระราชาของพวกท่านเขเดะเอาต้อนรับพระบาเจกพะพุทธเจ้าเป็นประจําตรงไหน เมื่อหมายกราบทูลในสงสาราบจึงไม่สั่งให้ขุดตรงนั้นนั่นแน่ตอนพระอาทิตขึ้นนแทนที่เป็นพระอาทิตซึ่ิงกลายเป็นที่พระประเจรพระพุทธเจ้าขึ้นมารับบิณฑบาตให้ขุดตรงนั้นก็พบขุมทรัพย์แล้วก็ตัดถามต่อไปว่าเมื่อพระเบเจพระพุทธเจ้ากลับพระราชาเขาพวกท่านเสนด็จไปส่งแล้วกองทัพยืนตรงไห น, น ตอนนี้เป็นขุมทรัพย์ที่สองพระอาทิตตกตัวินนะท่ามาได้กราบทูลในสรงทราบจนทรงรับสั่งให้ขุมทรัพย์ต น, นั้นอีกเหตุ น, นั้นว่าในพบขุมทรัพย์ที่ดวงอาทิตขึ้นคือตรงที่พระราชาเสด็จต้อนรับพระบระเจพุะติจ้าพบขุมทรัพย์ที่ดวงอาทิตตกคือที่พระราชาเสด็จไปส่งพระบระเจรพระติจ้า เมื่อพกขุมทรัพย์ทั้งสองบรรดามหาชนต่างก็โห่ร้องเสียงแซ่ถวายสาตุการสรนเสริญพระบัญญาของมหาชนกจากนั้นพระราชาพระมหาชนกจริย์งรับสัง่งให้ขุดคุมทรัพย์ภายในเที่บสุนทรัพย์ภายในขึ้นในธรณีทวาวรใหญ่ก็พบโคลนทรัพย์ที่รับสัง่งให้ขุดคุมทรัพย์ภายนอก ก็คือให้คือภายนอกธรณีถาวรใหญ่ก็พบอีกและที่รับสั่งให้กดคุด้มรัพย์ที่ไม่ใช่ภายในภายนอกนะไม่ใช่ภายในแล้วไม่ใช่ภายนอกก็คือพระราชาพระมหายนโยคสั่งให้กดข้างขๆพระธรณีทถาวรคือไม่ใช่ข้างในแล้วก็ไม่ใช่ทางนอกเอาข้างข้าง ข้างๆประตูใหญ่ก็พบโก่ทรัพย์แล้วจะส่งให้รับสั่งให้ขดขุมซักขาขึ้นแต่ทัพยขาขึ้นน่ะก็ทรงเกยที่ประทับเฟเดจช่างคนอัสสีฉันถามว่าพระราชาเนี่ยทรงขึ้นช่างตรงไหนก็ขึ้นช้างตรงนี้พระเจ้ค่ะเอาขดตรงนี้ก็ขดขึ้นไปพบโง่ทัพย์ดีทรับขาขึ้นคือขึ้นช้าง จากนั้นพระมหาเจน้นกกระรับสั่งให้ขุดคุ้มรัพย์ตามลาดับคือคุ้มรัพย์ภายในขุดตรงธรณีประตูใหญ่คุ้มรัพย์ภายนอกขุดตรงภายนอกธรณีประตูใหญใ่เห็นไหมคุม้มซับขาขึ้นคือขุดตรงเกยที่ประทับสมเด็จขึ้นช้าง คุมทรัพย์ขาลงขุดตรงที่เสน็จลงจากคอช้างนะี่คุมทรัพย์ที่ไม่รังทั้งสี่ก็คือขุดที่ใต้พระแท่นบรรทมซึ่งทําด้วยไม้รังที่ตั้งจากพื้นดินขึ้นมาคุมทรัพย์ที่หนึ่งโยดโดยรอบหมายว่าวัดบริเวณที่หนึ่งรอบจะโดยดเอาสี่ร้อยเซนรอบเอาสี่ร้อยเซนมาเพราวเขโดยรอบ เตรงนี้คือให้ขุดตรงที่พระสิริสายญาติที่นอนโดยรอบๆประมาณหนึ่งชั่วแอกหมายความวัดจากที่บรรทมไปแอกหนึ่งรอบตัวแล้วขุดเพื่อการนับโยต์สมัยนั่งเขานับกันแค่ชั่วแอกเดียวเป็นโยต์จาให้ดีนะลู้หลังรู้จักแอกไหมไปดูที่ก็เทียมเกวียนนะ่ะ เทียมเกวียนเข้าโคใส่เขาสองข้างไอ้ไม้ที่พาดบนคอเขาเยแอกแล้วขุมทรัพย์ที่ปลายยาทั้งสองก็คือขุดที่งาทั้งสองของช้างเวลาที่ยืยืนออกไปไม่ยความเวลาที่ช้างจะมาขึ้นจะมาเทียบเกยให้บราขึ้นช้างยืนตรงไหนต้องยืนประจำพระราชาจะขึ้น ช้างยืนแล้วก็ช้างยืนหันหน้าไปทางไหนขุดตรงหน้าช้างก็ได้ขุมซาปีขุดที่ทางปลายหางก็คือขุดตรงปลายหางของช้างที่เวลาพระชายาประทับขดนานหางขุดขุมซาปิน้ำก็ขุดที่สะปกรณีนในสะ หก ข, ขุดคุ้มทรัพย์ที่ปลายไม้ก็คือขุดที่ตรงโคนต้นไม้รางใหญ่ในพระราชิตยยานถือเงาในเวลาเที่ยงปลายไม้ไปเงาไปปกอยู่ที่โคนข็รับสั่งให้ขุดตรงไหนก็พบดพอพบคุทรัพย์ตรงนั้นมหาชนต่างก็พาการแสแดงความเรื่นเริงยินดีสรรเสริญ ความมหัศจรรย์นในปัญญาของพระมหาชนกอย่างเ ส, สียงแซ่ให้แม่ลูกหลานที่รักที่เรารวดรวดมาก็เกรงว่าจะไปตุงติงต้งตุ้งติงกับลูกหลานเข้าแล้วก็อย่าเกรงว่ามันจะเสียเวลาสําหรับพระมหาชนกมเมเนทรงเป็นปการใส่ครองเมืองมิถิลามหาคนครให้ความร่มเย็นกับะสมนิกรตลอดเวลา โปรดให้สร้างเส้นลาให้ทานหกแห่งคือถ้ำกลางพระนครหนึ่งแห่งทาที่ประตูอีกสีแห่งประตูพระราชวังอีกหนึ่งแห่งบริจาคทานเป็นประจำโปรดให้เชิญพระราชมันดาและพรามโรหิตมาจากจำปากานครนักคููบาาจารย์นะ แล้วทงอุปถรมภ์บ่มรงท่านทังสองให้รับความสุขตลอดมาตอนนี้ก็เหรือเวลาอีกห น, นาทีก็จะขอแทรกบุพรกรสักนิดหนึ่งในหนังสือนี้ไม่มีถ้ามีในหนังสืออื่นท่านกล่าวว่าการที่พระมหาราชนกเกิดมาแล้วเป็นลูกของพระราชา แต่ก็ต้องมีความตัวลรครลาบากเมื่อพระราชวินดาต้องตายเพราะว่าน้องชายขบศเจ้าหาว่าท่านคนผูข้ขบศเลวก็ไม่ได้เพราะว่าราชาหูเบาเกินไปเมื่อความเป็นใหญ่เกิดขึ้นถ้าไม่ทรงความเป็นธรรมมันก็เป็นอย่างนี้แหละฉะนั้นท่านผู้มีอํานาจราชศักทั้งหลายนับตั้งแต่ผานโรขึ้นไปจนทั้งถึงตําแหน่งนายกหรือตําแหน่งอะไรก็ตามที่มันใหญ่ๆ เมื่อเป็นขึ้นมาแล้วก็จะเหลืมกายเหลื่อมใจจะมัวเมาในยศถาบรรดาศัก์จะมัวเมาในอำนาจเพราะว่าคนที่มัวเมาในอำนาจในพระราชจะต้องตายอย่างประเ ท, ที่ิริวาหาที่พึ่งไม่ได้กันผมไปสำหรับพระมหาชนกนี้เมื่อตอนสาคัญคือตอนเรือแตกว่ายอยู่ในมหาสมุทร ใช้เวลาทึงเจ็ดวันแล้วมีนางมณีเมขลาไม่ช่วยตอนนี้ท่านกล่าวว่าเป็นกรรมในชายก่อนพอเลาเวลาเหลือน้อยกรรมในชายก่อนคือว่าสมัยชอยช่ายก่อนโน้นท่านเป็นพระราชาวันหนึ่งเสด็จไปอาบน้ำชายทะเลจะทะเลไม่ไกลกับพระราชเทวีกับพระเเพราชินี วันนั้นก็ปรากฏว่ามีเนนตัวเล็กๆอายุประมาณเจ็ดปีภายเรือมาพ่อสมณะเนนองนั้นก็ภายเรือไม่เคยเป็นหรือก็ครงคลิงครงคลงพระราชาสงสนายนคืออาบน้ำอยู่ตรงนั้นตามธรรมดาคนที่เขามีความรู้เรื่องดีเนี่ยเขาไม่ผ่านไปเพรเกรงใจพระราชา แต่ว่าพ่อสามนเณรน้อยแกไม่รู้กก็พายเรือยก้ามาตามเรื่องดําราวแยจะไปธุระของแกเป็นทินที่แกพายเรือยอยู่เสมอเว่าะแกรุกรานก็ไม่ได้พระราชาเห็นเน่น้อยยุประมาณเจ็ดปีน่ารักแล้วพายเรือไม่เป็นก็อยากจะล้อเล่นจึงได้ทำน้ำให้หมันคลื่นเพื่อ มันน้ําเป็นขึ้นในก็บนั่งเรือก็ไม่เคยเป็นพายเรือก็ไม่เคยจะเป็นในที่สุดเรือสมันเนินก็ล่มพระราชาก็ตกใจแต่ก็ไม่เป็นไรก็อยู่ใกล้เมื่อสมัเนินเรือร่มแล้วพระราชาจึงเข้าไปอุ้มเอาพระสมัเนิน เ, เ้ามาบนฝั่งแล้วแพทยใ ห, หม่ขระาราชบริพารแปเอาเครื่องแต่งกายพระสมันเนินน้อยมา ไม่คว่าแบบผ้าไตรจีวรเนื้อดีๆไม่กระเพราสมนเน็น้อยให้สมนเน็น้อยครองแล้วก็ถามม่อยู่วัดไหนเป็นลูกเต้าเหล่าใครเมื่อทราบแล้วต่อจากนั้นไปพระราชาก็ทรงรับเพิมสมนเน็น้อยอยนั้นเป็นพระราชโอรสให้เป็นลกูกแต่ไม่ได้บังคับให้สิทธ์ให้เป็นลูกอย่างเนนจนทั้งบทพระบทเจ้าอุปธรรมค้ำชูทุกอย่าง ให้สมมนเนยน้อยมีความสุขให้การศึกษาดีให้การปฏิบัติดีอะไระขาดจะเหลือก็ตามเหลือไม่เป็นไรขาดอะไรจัดหายหาหาหทุกอย่างให้สมมนเ น, ย, นยมีความสุขจักรทั้งหมดเป็นพระหมดเป็นพระกรรมบรมงทุกอย่างเป็นอนุาท่างกล่าวว่าพ่ออาศัยบุพกรรมที่รอสั ม, มนเนยน้อยให้เหลือล่ม เป็นปัจจัยให้พระมหาชนกนี่เกิดมาต้องเรือแตกเรือซําเภาแตกกลางมหาสมุทรต้องว่ายน้ําอยู่อย่างนั้นถึงห้าร้อยชาติชาติที่เป็นพระมหาชนกนี่เป็นชาติที่เขาห้าร้อยพอดีและพระอาศัยการทนุบมดวงสมณเณรด้วยดีให้มีความสุขรับเป็นพระราชโอรสยังป ร, กรากฏว่าอันนี้สออันนี้เป็นปัจจัยให้พระมหาชนก ไม่น้ำข่าวไรก็เป็นพระราชาทุกทีทั้งนี้ก็เพราะว่าในการให้การธนบ่มหลงพิสุทธ์สมันเนนในพระพุทธศาสนาผู้ทรงศีลบริสุทธิ์เป็นอนุวาเรื่องราวก็พระมหาชนกในตอนนี้นะลูกหลานที่รักทัะงบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทผู้รับฟังยังไม่จบแค่คิดว่ามากราวทังบุพกรรมแล้วก็จบ มันยังไม่จบเรื่องราคะวาชนกตอนท้ายดีมากฉะนั้นขอรัดาลูกหลานที่รักเมื่อรับฟังแล้วในตอนต้นก็ตอนตอบปัญหาถ้าเยวว่า ก, กัญชชาต้อเสียเวลาถึงสามวันเพื่อจะเรื่องสั้เข้ามีความกระชั้นจบเร็วๆเรื่องเร็วๆเช่นนี้ว่ากมาลัดๆฉะนั้นขอรัดาญาติโยมพุทธบริษัทและลูกหลานที่รัก ถ้าว่าเอิญฟังแล้วมันไม่ใช่ก็ต้องขออภัยโดยช่วยอาภาัยอาภัยกับคนแก่แต่ถ้าว่าบองดูเวลาเห็นเวลาหมดเสร็จแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากอรอความสุขสวัสดพิพัฒนะมองคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดบันดาท่านพุทธศาสนิกชนนละลูกหลานเล็กๆที่รักสวัสดี